ผมอยากจะขอ PowerPoint นะครับเปิดเข้าไปที่พระกัมภีรนะ์ที่เราได้อ่านกันนะครับในมาละโกโบทที่11นะครับข้อที่17นะฮะพระองค์ตรัสสอนเขาว่ามีพ่วเจะนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร ในวันนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของการอธิษฐานนะครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อหานะครับผมอยากจะถามว่าพวกเราอธิษฐานกันโดยเฉลี่ยเฉลี่ยในชีวิตของเรานะครับอธิษฐานกันวันละกี่ครั้งครับสามครั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันมือม้อเย็นมีใครมากกว่าสามไหมครับตอนเช้ากับก่อนนอนห้าครั้งแล้วระหว่างนั้นเวลาที่เรา จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะไปไหนมาไหนจะขึ้นรถเมล์หรือขับรถเกง๋งเราได้มีโอกาสาอธิษฐานไหมครับอธิษฐานนะลืมบ้างไม่ลืมบ้างนะฮะเวลาเราจะแต่งงานเราอธิษฐานไหมอธิษฐานหนักเลยเวลาเราจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสคัญของชีวิตเราอธิษฐานไหมอธิษฐานมากเลยต้องถามตัวเองว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้เราอธิษฐานครับอะไรเป็นแรงจูงใจให้เราอธิษฐานครับ คำตอบก็คือว่ายามใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเราพึ่งตัวเองไม่ไหวแล้วหมดแรงนะครับหมดความสามารถต้องการของวิเศษนะครับเหมือนกับตะเกียงอลาดินนะครับพอถูไปเมื่ อ, อไหร่ปุ๊บเนี่ยเป็นงไงฮะถูตะเกียงอลาดินเป็นยังไงยักษ์ก็ขึ้นมาแล้วก็สั่งยักษ์ได้พระเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ เปล่าไม่ใช่พระเจ้าของเราต้องการเลยครับให้เราอาธิษฐานเพื่อที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์และรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและจากการอาธิษฐานนี้เองทําให้เรารู้ว่าเรามีสิทธิพิเศษที่เป็นลูกของพระเจ้านะครับเราจึงสามารถอธิษฐานได้ครับพี่น้องรู้จักเบลลี่แกรแฮมไหมเบลลี่แกรแฮมเนี่ยเป็นนักประกาศผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่20ินะครับท่านท่านท่านพูดอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าเราโชคดีมาก นะครับคำว่าโชคดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคือเป็นเป็นโชคดีเหมือนกับคนไทยธรรมดาพวกเราพื่โชคนะหมายว่าเราดีมากเลยนะครับที่ได้เกิดมาในสมัยนี้ไม่ใช่สมัยพระเยซูเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเทคโนโลยีมากมายเครื่องอานวยความสะดวกมากมายเพื่อใช้ในการประกาศเพื่อใช้ในการทํา ง, งานของพระเจ้าและถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีคริสเตียนมากที่สุดในโลกก็ว่าได้แต่แม้กระ น, นั้นก็ตาม ท่านเขียนงี้นะครับว่าสิ่งเดียวที่ทำให้ข่าวประเสริฐไปถึงทุกมุมโลกได้นั่นก็คือการอธิษฐานนะครับสิ่งเดียวที่สามารถทำให้ข่าวประเสริฐไปถึงทุกมุมโลกได้นั่นคือการอธิษฐานก็ถามว่าการอธิษฐานเนี่ยสำคัญมากสุดใช่ไหมคาตอบคือใช่ครับการอธิษฐานเนี่ยสำคัญมากกว่าเทคโนโลยีอีกสาคัญมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอีก สำคัญมากกว่าอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายอีกและที่สําคัญก็คือว่าสําคัญมากกว่าวิธีการที่เราประกาศประกิตดิคุณเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราจะรับใช้พระเจ้านะเวลาที่เราจะศรัทธาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะการอธิษฐานเนี่ยสำคัญมากกว่าวิธีการสําคัญมากกว่าเป้าหมายสําคัญมากกว่าทุกสิ่งที่เราเห็นว่าสําคัญนะถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่การอธิษฐานเนี่ยผมจะบอกว่าการอธิษฐานนี้ถือว่าสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์บิลเกรแฮมเนี่ยนะครับท่านประกาศเนี่ยมีคนรับเชื่อทีหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นคนนะนะครับในตลอดชีวิตของท่านเนี่ยมีคนรับเชื่อผ่านทางการประกาศท่านเนี่ยเป็นล้านล้านคนนะถามว่าอะไรคือคื อ, ค, อคือเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการที่ท่านจะประกาศพระกิตติคุณนํำบินยามถึงพระเจ้าอ่านอนธิษฐานพี่น้องครับผมได้โปรยเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็คือว่าถ้าถามว่าเราอธิษฐานด้วยเหตุแรงจูงใจอะไรเนี่ย อธิษฐานบ่อยแค่ไหนอหิฐานเพราะอะไรตอบได้คำเดียวครับก็คือเพราะเราอยากจะพึ่ง พ, พระเจ้าเราอยากจะให้พระเจ้าทํางานของพระองค์นะครับเราทำในส่วนของเราพระเจ้าก็ทำในส่วนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือการตอบคำถามว่าทำไมเราต้องอธิษฐานนี่เป็นคำอธิษฐานของผมนะครับว่าหลังจากที่เราผ่านครึ่งชั่วโมงต่อไปเนี้ย ผมอยากจะเห็นอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานะครับก็คือว่าต้องถามตัวเองว่าฟังอาจารย์ศึกษาแล้วนะกลับไปนี่มีความอยากอธิษฐานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีความอยากอธิษฐานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะถือว่าประสบความสําเร็จแต่ถ้ารู้สึกเฉยๆธรรมดาธรรมดาก็เท่านั้นนะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็ลืมแล้วนะอาจารย์จะเทศแล้วฟังก็ดูดีหรือฟังแล้วว่าเลื่อนหูนะฟังแล้วรู้สึกสบายใจนะนอนหลับได้นะก็ <c oughs> เ ป, เป็นการฟังอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านไปแล้วไม่มีประโยชน์แต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของผมก็คือว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยชีวิตการอาธิษฐานของเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะต้องกลับไปอธิษฐานมากขึ้นทำไมเราต้องอธิษฐานพี่น้องครับทำไมเราต้องอธิษฐานอะไรเป็นแรงจูงใจให้เราอาธิษฐานผมอยากจะบอกมีอยู่หลายข้อดยกันประการแรกครับ เนื่องจากพระเจนาของพระเจ้าบอกว่านิเวศของเรานั้นเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานและพระงพีก็บอกต่อไปนะครับว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าพระเยซูบอกกับพระวิหารบอกว่านี่คือพระวิหารซึ่งใช้สำหรับการนับสการพระเจ้าเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานแต่พวกท่านเนี่ยมาทําให้กลายเป็นถ้ำของพวกโจรแสดงว่าใช้วิหารนี้ใช้พระนิเวศนี้อย่างผิดวัตถุประสงค์นะครับ ทีนี้เรามาดูชีวิตของเราบ้างถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตของเรานะฮะพั้มพีในหนึ่งโครินบอกว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเป็นวิหารของพระเจ้าเพราอนวิหารหลังนี้นะครับก็คือตัวของผมเนี่ยตัวของท่านเนี่ยมีไว้ใช้ทําอะไรครับคาตอบคือมีไว้ใช้อธิษฐานติดต่อกับพระเจ้าไงถ้าเราใช้ผิดวัตถุประสงค์แสดงว่าวิหารหลังนี่นะครับใช้ไม่ได้ ผิดวัตถุประสงค์นะครับถูกสร้างขึ้นมาแต่ใช้ผิดวัตถุประสงค์จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับวิหารหลังนี้นะนั่นคือความคิดเชื่อมโยงกันพี่น้องครับทำไมลงอธิฐานประการแรกครับพี่น้องจดนะครับเพราะการอธิฐานเป็นหน้าที่ของลูกของพระเจ้าลูกเนี่ยมีหน้าที่ต้องวิงวอนนะครับขอจากพระเจ้าลูกเนี่ยคนที่เป็นลูกเนี่ยมีหน้าที่ที่จะสํานึกและขอบคุณพระเจ้า มีหน้าที่จะรู้ตัวว่าตัวเองนั้นนะไม่มีไม่มีความสามารถใดๆเว้นไว้แต่การพึ่งพาพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงแสดงออกด้วยการอาธิษฐานนะครับอาจารย์บโรพูดชัดเจนเปโตก็พูดครับท่านอาจารย์เปโตรก็พูดบอกว่าเราตอนชา้าผมเทศไปแล้วนะครับเราเป็นคนที่เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปุโรหิตนี่เป็นตัวแทนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับเราเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้แล้ว เป็นผู้ที่ประกาศพระบารมีของพระเจ้าและผู้ที่ประกาศนั่นแหละจําเป็นที่ต้องพึ่งพระเจ้าและผู้ที่ประกาศนั่นแหละเป็นลูกของพระเจ้า NES. พระเจ้าไม่ได้ใช้ทูตส่งประกาศนะครับพระเจ้าใช้ลูกของพระองค์ประกาศเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นลูกของพระเจ้า NES, เรารู้ว่าเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราจ้องหมันอธิษฐานเพราะอะไรครับเพราะว่าการประกาศเนี่ยต้องการการอธิษฐานการทํา e งานพระเจ้าทุกอย่างเนี่ยต้องการการอธิษฐานนะครับด้วยเหตุนี้ทําให้เรารู้ว่า เมื่อพระเยซูมาอยู่ในโลกนี้สาปีนะครับสาปีสุดท้ายที่พระเยซูทํางานของพระองค์เนี่ยสปีสุดท้ายนะฮะคือออกมาเนี่ยอายุ30สิ้นพระชนก็อายุสาสพระเยซูเนี่ยปฏิบัติจริงๆเนี่ยสาปีเท่านั้นเองแต่สปีฮะได้บันทึกถึงการอธิษฐานของพระเยซูขณะที่พระองค์อยู่โลกนี้นะครับพระเยซูอธิษฐานทุกวันทุกวันทุกวั น, วนและไม่เพียงแต่ ทุกวันฮนะตอนเช้าตรู่และอดอาหารอธิษฐานด้วยผมอยากยกตัวอย่างว่าก่อนที่เยซูจะเริ่มต้นการปณิบัติรับใช้พระเจ้านะในการปฏิบัติมวลชนนะครับโปรงอธิษฐานสี่วันสี่ิบคืนไม่ได้กินข้าวเลยถูกไหมครับเข้าไปในถินทุก่กันดารนี่อดอาหารอาธิษฐานเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างกับพวกเราแท้จริงแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าโปรงไม่ต้องอธิษฐานก็ได้จริงไหมครับ พระองค์นี้ไม่ต้องอธิษฐานก็ได้พระองค์เนี่ยเป็นคนที่ฟังคําอธิษฐานของคนอื่นด้วยซ้ําไปแต่พระองค์ทําเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นตัวอย่างของเราในการที่บอกว่าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าหรือเราทํางานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับเราจะต้องอธิษฐานเพราะการอธิษฐานนั้นเปิดเผยว่าเราเนี่ยนะครับไร้สมรรถภาพแต่พระเจ้าเนี่ยทรงนิทานุภาพสูงสุดคนที่บอกว่าตัวเองไร้สมรรถภาพเนี่ยเป็นคนที่ดูถูกตัวเองหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับ ถามว่าเราร้อยสมรรถภาพจริงๆหรือเปล่าก็ไม่เชิงพี่น้องเราก็ทําอะไรได้หลายอย่างเนาะแต่เรารู้ว่าความสําเร็จมาจากพระเจ้าไงถูกไหมครับในงานของพระเจ้าในการทํางานของเราด้วยแต่ละคนแต่ละวันนี่นะครับเรารู้ว่าความสําเร็จนั้นมาจากพระเจ้าผมนึ่งมักจะพูดอยู่เสมอคนที่ประสบความสำเร็จได้นะครับมีสองอย่างเก่งกับอะไรครับเก่งกับอะไรครับเก่งกับอะไรนะครั บ, บ, รรบใช่ครับ คนธรรมดาทั่วไปเรียกว่าเฮงครับเฮงเก่ง <laughs> <"H eng" S 2> กับเฮงนี่เขา้องเสียงกันนะฮะเก่งกับเฮงคืออะไรครับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าบอกว่านอกจากคุณเป็นคนเก่งแล้วนะคุณต้องเป็นคนที่โชคดีด้วยโชคมาจากอะไรคำคำตอบก็คือเป็นการอวยพรของพระเจ้าเป็นการทรงนําของพระเจ้าและการทรงนํานี่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทูลขอนะครับพระเจ้าเนี่ยเตรียมเตรียมเงินไว้ให้เหราแบงค์แล้วครับ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเดินเข้าไปในแบงก์แล้วเบิกเอาการอธิษฐานเป็นอย่างนั้นครับพระเจ้าเตรียมพระพรให้กับเราแล้วและเราเดินเข้าไปขอจากพระองค์อธิษฐานก็คือยื่นมือไปแล้วเงินก็จะไหลมานะครับพระพรจะไหลมานะครับการวอวยพรจากพระเจ้าจะไหลมาพป็นไหมครับฟังแล้วบางท่านหัวร้อนะ บ, บอกยื่นขอพระเจ้าพระองค์เจ้าพระพิธานเงินด้วยดึงเงินก็ไหลมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ แต่ผมก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราเข้าไปในแบงค์นะครับเราไปถอนเงินออกมานั่นแหละครับแบงค์เปรียบเทียบกับเงินเปรียบเทีย บ, บพระพรนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับพระเยซูได้อธิษฐานลุกขึ้นในเช้ามืดพระเยซูหลังจากที่ทำงานแล้วเลี้ยงคน5 0 0พันคนแล้วพระเยซูก็เสด็จเข้าไปในที่เปลี่ยวที่บนภูเขาเพื่อที่จะอธิษฐาน เมื่อเช้านี้ผมพูดถึงการอธิษานเปรียบเส ม, มือนกับลมหายใจนะครับวันนี้ตอนบ่ายนี้ผมจะอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับลมหายใจได้ยังไงพี่น้องครับเวลาที่เราผูกพันกับใครคนในคนหนึ่งเนี่ยนะผมพูดถึงว่าสมมุติว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งตกหลุมรักเด็กผู้หญิงเขาเป็นไงครับคิดถึงผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นไงฮะหายใจเข้าก็ หายใจเข้าก็อะไรครับน้องน้องอะไรไม่รู้นะชื่อชืจุดจุดนะหายใจออกก็น้อง<笑><笑>นะนะหายใจเข้าก็น้องชื่อน้องลอยมาเลยหายใจก็น้องนี่นะครับเปรียบเทียบง่ายถ้าเราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะคิดถึงเขาตลอดเวลาใช่ไหมใช่นะคิดถึงแบบว่าอะไรครับแบบว่าไม่หยุดไม่ย่อนนะว่างั้นเถอะว่างก็คิดถึงนะถ้ายุ่งก็อาจจะไม่ได้คิดถึงแตบบ่บางครั้งยุ่งก็ยังคิดถึงเลย เมือนถ้าเขาอยู่กับเราได้ยุ่งๆกันด้วยกันก็ดีนะ uh huh. พี่น้องครับเราเป็นเตยกันไหมครับน่ารักไหมครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าเรารักพระเจ้านะถ้ารักพระเจ้านะเราก็คิดถึงพระเจ้าตลอดเวลามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวผมอยากจะบอกว่าคิดศาสนาเ น, นี่ยไม่ใช่เรื่องของคำสอนอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเมื่อเรารู้ว่าเรารักใครนะครับ คนค น, นั้นแหละก็จะเป็นรียกว่าสุดที่รักของเราแล้วเราก็คิดถึงตลอดเวลาท่านเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมท่านเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับว่าหโหคิดถึงคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาผมเคยมีนะครับตอนช่วงที่แบบว่าเวลาทุกข์มากมากเครียดมากๆนะคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาโอ้เมื่อไหร่พระเจ้าจะมาช่วยเรานะอีสักพักหนึ่งเดี๋ยวเมื่อไหร่จะช่วยพระเจ้านะเมื่อไหร่พระเจ้าจะมาช่วยเรานะเนี่ยคิดถึงเพราะอะไรครับก็ รู้อยู่อย่างเดียวว่าการช่วยเหลือนั้นมนุษย์ไม่สามารถให้ได้แล้วเวลาที่ท่านป่วยหนักๆ น, นะท่านจะคิดถึงพระเจ้าบ่อยมากเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหมดหนทางของมนุษย์แล้วแล้วเรารักใครเราก็จะคิดถึงคนนั้นเราหวังจากใครเราก็จะคิดถึงคนนั้นใช่ไหมครับด้วยเหตุผลเดียวกันนี่แหละผมเปรียบเทียบกับวันธรรมดาธรรมดาของเราวันธรรมดาธรรมดาของเรานี่นะครับถ้าเรารักใครก็เช่นเดียวกันครับเราก็คิดถึงคนนั้นถ้าเรารักพระเจ้า ยิ่งมากเท่าไหร่เราก็คิดถึงพระองค์มากเท่านั้นพี่น้องเห็นด้วยไหมมันแปลตามกันนะครับและเราจะคุยกับพระเจ้าได้ก็คืออธิษฐานเพราะฉะนั้นการอธิษฐานนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับท่าท า, ทางถูกไหมครับเมื่อเช้านี้ผมเทศนาไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกับท่าทางคุณจะยกสูงขนาดไหนพระเจ้าก็ก็เห็นหรือคุณจะก้มหน้าหรือคุณจะแบมือนะครับ ก็พระเจ้าก็เห็นแต่สําคัญคือท่าทีท่าทางไม่ใช่สิ่งที่สําคัญแต่ท่าทีสําคัญเมื่อท่าทีสําคัญท่าทีในใจของเราเวลาอธิษฐานต้องเป็นยังไงครับต้องบอกว่าต้องถ่อมใจหลวงพระองค์ไม่เป็นหรอกแต่พระงองค์เ่ยยิ่งใหญ่และพระองค์เป็นและพระองค์สามารถช่วยเราได้อันนี้ครับคือแก่นสารหรือสารลักนะครับในการอธิษฐานเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูที่เปเยซู พระเยซูทำไมต้องอธิษฐานเพราะขณะที่อธิษฐานนั้นพระเยซูเป็นตัวอย่างเรานอกจากนั้นพระเยซูกําลังยอมแล้วว่าความเป็นมนุษย์ของพระเยซูและความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเราเรียนรู้เรื่องหลักข้อเชื่อก่อพระเยซูคริสต์แล้วนะครับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าร้อยในขณะเดียวกันนี้พระเยซูก็เป็นมนุษย์ร้อยซตการที่พระองค์อธิษฐานเนี่ยพระองค์แสดงให้เราเห็นนะครับว่าพระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนจะต้องพึ่งพาพระเจ้ามนุษย์คนต้องอธิษฐาน มนุษย์จะต้องพึ่งพาอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นตลอดพระชนชีพของพระเยซูสมปีที่พระเยซูปฏิบัติรับใช้มวลชนรับใช้พระเจ้าอยู่เนี่ยพระเยซูอธิษฐานบ่อยมากเลยนะครับอธิษฐานทุกวันอธิษฐานทุกวันและพระเยซูงานของพระองค์พระสิทธิ์ของพระองค์ก็สําเร็จตามประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรานะครับถ้าเรา เกิดฝ่ายวิญญาณเราบังเกิดใหม่เราต้องกินอาหารเราต้องพึ่งพาสายพระวิญญาณเราต้องหายใจนะครับเราต้องผูกพันกับพระเยซูและเราต้องประกาศท ำ, ทำตามพระมารชาของพระองค์เพราะฉะนั้นผมจะสรุปนะครับในในเบื้องต้นอันนี้ถ้าเราอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับในฝ่าร่างกายเนี่ยเรามีอะไรบ้างหนึ่งอากาศสองอาหาร สามออกกำลังกายสี่อารมณ์ต้องดีอาหารดีนะครับอากาศดีออกกำลังกายและอารมณ์ดีต้องมีสี่ดีนะนะอาหารดีคืออะไรครับถ้าเปรียบเทียบกับฝ่ายวิญญาณถ้าเราจะอยากจะมีประสขสุขภาพดีฝ่ายวิญญาณอาหารดีก็คืออะไรครับต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนี่คือฝ่ายวิญญาณเพราะว่า พังกมพีเป็นอาหารที่ดีที่สุดสาหรับฝัยายวิญญาณอันที่หนึ่งะครับอากาศดีครับเมื่อกี้เรเปรียบเทียบแล้วอะไรครับเป็นลมหายใจอธิษฐานนะครับอากาศดีก็คือว่าเราต้องอธิษฐานมีชีวิตแห่งการอธิษฐานที่ดีครับนะอันที่สามครับออกกําลังกายนะต้องดีต้องครบต้องต้องพอใช่ไหมครับออกกําลังกายที่คือการอะไรครับประกาศนะฮะการเป็นพยาน นะการออกไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยออกกําลังกายและประการสุดท้ายก็คืออารมณ์ดีอารมณ์ดีเกิดจากอะไรครับเกิดจากการนมัมศการตรงนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยทีมน้ำมการเนี่ยร้องร้องเพลงนะมีท่านใดไหมที่ร้องแบบเหงาเหงาหงอยหงอยมีไหมไม่มีมีแต่ความสดชื่นมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วพวกเรา พอเวลาเราเห็นดนตรีจังหวะอย่างนี้นะครับเป็นไงครับเรามีความรู้สึกชื่นชมินดีใช่ไหมครับมีความรู้สึกกระตือรือร้อนมันมีอะไรที่ปลุกเราอยู่ทําให้เรามีอารมณ์ที่ดีเพราะฉะนั้น4อย่างนะครับพี่น้องจําให้ดีหนึ่งคืออาหารดีคือพระคัมภีร์ส อ, อากาศดีคือการอธิษฐานสาออกกําลังกายที่ดีก็คือออกไปประกาศรับใช้4อารมณ์ดีเกิดจากการนมัสการที่ดีถ้าเราครบ4อย่างเนี่นะครับ ชีวิตเราจะเติบโตแน่นอนเหมือนกับที่เราพยายามที่จะรักษาสุขภาพของเราสุขภา พ, ภาพฝ่ายวิญ ญ, ญาณก็เป็นอย่างเดียวกันนะครับเป็นอย่างเดียวกันและตรงนี้นี่เองเนี่ยเราจะเห็นว่าการอธิษฐานสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระคัมภีร์ก็ต้องอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานเผื่อการอ่านพระคัมภีร์ให้เราเข้าใจใช่ไหมเปิดสติปัญญาขอพระทานสติปัญญาให้กับเราให้ เ, เข้าใจอธิษฐานเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อการอธิษฐานของเราแปลกใจไหมเคยอธิษฐานเผื่อการอธิษฐานของตัวเองไหม เพื่อครับเราเคยเราเคยมีความรู้สึกครับว่า อ, อพระองค์เจ้าข้าลูกอธิษฐานไม่ค่อยเก่งลูกอธิษฐานขอพระองค์ขอให้ลูกอธิษฐานให้เป็นอธิษฐานให้ถูกตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพี่น้องเคยอธิษฐานแบบนี้ไหมอธิษฐานดูขอให้ข้าพระองค์ลุกขึ้นมาตีห้าหรือหกโมงเช้าขอให้เฝ้าเดี่ยวขอให้อธิษฐาน แล้วพี่น้องจะมีประสบการณ์นะครับถึงเวลาปุ๊บอยู่ดีไม่เราตื่นเองได้ฮะนะฮะบางคนเนี่ยรู้ครับว่านอนตื่นสายนะครับนอนดึกตื่นสายตื่นเองไม่ได้ก็ขยับเวลาเอาไปทีเป็นเจ็ดโมงเช้าก็ได้นะครับแต่ต้องไปทํางานที่ทันนะนะอย่างนี้เป็นต้นครับพี่น้องผมอยู่บอกว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อชีวิตการอธิษฐานของเราประการต่อไปครับก็คือว่าเราอธิษฐานเปิดการประกาศไหมแน่นอนเวลาออกไปประกาศใช่ไหมครับออกไปรับใช้พระเจ้าก่อนจะเริ่มงานต่างๆเนี่ยเราก็อธิษฐาน และสุดท้ายเราอธิฐานเผื่อการนับราการไหมเพียงครับในเช้าวันนี้ตอนก่อนที่เราจะมาโบสถเนี่ยมีใครลุกขึ้นมาอธิษฐานเพราว่าพุ่งเจ้าข้าวันนี้เป็นวันสะบาโตนะเป็นวันของพระเจ้านะขอพระองค์ทรงโปรดให้พระเจ้าไปบสถวันเนี้แล้วได้อะไรอะไรกลับมาและให้อะไรอะไรให้คนอื่นมีคนอธิษฐานแบบนี้ไหมครับขอบคุณพระเจ้าได้ใช่ไหมครับแล้วได้ไหมครับได้วันนี้มีโอกาสช่วยแล้วคนอื่นไหมครับได้ วันนี้มีโอกาสหนุนใจคนอื่นได้ไหมได้วันนี้ได้มีโอกาสรับใช้คนอื่นได้ไหมได้วันนี้ได้รับการหนุนใจจากคนอื่นได้ไหมได้เมื่อสักครู่นี้ผมพูดว่าสามคนเนี่ยเดินไปนะครับมีต้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นครูของเราได้อันนี้ภาฤฤษิจจินว่าไว้สามคนเดินไปพร้อมๆกันเนี่ยจะมีคนหนึ่งเป็นครูเราได้เพราะอะไรครับเราไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างนะครับถ้าเราพูดถึงว่าในหลักวิชาการการสอนเด็กเนี่ยเด็กมีความเก่งกี่ด้านผมตอบได้ว่า เก่ง8ด้านเรามีความเก่งทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้านยิ่ศาสตร์ด้านอะไรตางและด้านการเคลื่อนไหวร่างกายคือพละเห็นไหมครับด้านภาษาด้านแหลรต่างด้านดนตรีทุกอย่างเนี่ยมีความเก่งหมดเราอาจจะเป็นนักเรียนของใครบางคนใครบางคนเป็นครูของเราทางด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เราก็ไม่อาจจะเป็นครูทุกๆด้านได้แต่เราอาจจะเป็นนักเรียนทุกๆด้านได้เป็นครับเช่นเดียวกันการอธิษฐานเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะการอธิษฐานเนี่ยถือว่าเป็นวิชาที่เรียนรู้ไม่รู้จักจบ เพราะอะไรครับเพราะประสบการณ์การอธิษฐานเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งอธิษฐานมากยิ่งมีกําลังมากจําได้ไหมครับอธิษฐานน้อยกําลังก็น้อยอธิษฐานมากเหนื่อยเหนื่อยมากหรือเปล่าครับอธิษฐานมากเหนื่อยน้อยอธิษฐานน้อยเหนือนอน่อยมากไม่อธิษฐานไม่เหนื่อยใช่ไหมครัเหนื่อยเปล่าบางคนบอกไม่อธิษฐานไม่เหนื่อยจ่ายไม่ต้องเหนื่อยอธิษฐานไม่ใช่นะครับ อธิษฐานมากเหนื่อยน้อยอธิษฐานน้อยเหนื่อยมากไม่อธิษฐานเหนื่อยเปล่าถูกไหมครับอธิษฐานมากยิ่งมีกําลังมากอธิษฐานน้อยยิ่งด้อยกําลังไม่อธิษฐานไม่มีกําลังแลนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงเรื่องของการอธิษฐานประการที่สองครับทําไมเราต้องอธิษฐานเพราะเป็นคําสั่งของพระเยซูอันนี้ผมจะข้ามไปนะครับเมื่อเช้านี้ยผมพูดไปแล้วจงอธิษฐานขมักขม่นในการอธิษฐานจงชื่นบานอยู่เสมอนะครับ จงขอบคุณในทุกกรณีเห็น ไ, ไหมครับต่อไปนะครับผมจะพูดข้ามไปก็คือการที่เราอธิษฐานนะครับเพราะเราไม่ต้องการพึ่งตัวเองนะครับเพราะเรารู้ว่าการพึ่งตัวเองนั้นมันมีความจำกัดอยู่ครับเราอยากจะอยู่ในศูนย์กลางน้ํพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการอธิษฐานนั้นจึงเป็นการทูลขอการทรงนาและพึ่งพาพระเจ้า การอธิษฐานนั้นคือเป็นการทูลขอการทรงนำและเพื่อที่จะพึ่งพาพระเจ้าพระเยซูเป็นแบบอย่างท่าทีที่ถูกต้องเวลาที่ท่านโปรง่งโปร่งอธิษฐานที่สวนเกตเซมานีโปร่งอธิษฐานว่าองครับอย่าให้เป็นไปตามความปรารถนาของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดนั่นหมายความว่าพระเยซูกําลังอธิษฐานเพื่อที่จะพึ่งพระเจ้าครับแทนที่จะพึ่งพาตัวเอง อาจารย์บาโลก็เช่นเดียวกันท่านอาธิษฐานว่าการที่จะมีชีวิตอยู่นะครับก็กับเปรียบเทียบกับการตายดีกว่าข้าพเจ้าอยากจะไปอยู่กับพระองค์อยากจะตายก่อนตายเร็วก็ดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าอยู่กับพระองค์นั้นประเสริฐกว่ามากนะแต่อาจารย์ปารโลก็อธิษฐานนะครับขอให้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นไปตามบัตไทยของพระองค์ก็คืออยู่ในศูนย์กลางน้ําันไทยของพระเจ้า อาจารย์บุรุษก็เลยสารภาพเขียนไว้นะครับบอกว่าตกลงข้าพเจ้ายังไม่ไปนะเพราะว่าอะไรครับเพราะพระเจ้ายังไม่ยอมนะเพราะพระเจ้ายังไม่ยอมนะและข้าพเจ้าอยากจะมีชีวิตยอยู่เพื่อใครครับเพื่อเพื่อคนอื่นเพื่อพวกท่านเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่ทําให้เรารู้ว่าคนนะครับของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราพึ่งพระเจ้านะนะเขาจะประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าศักยภาพของเรามีจํากัดครับ เราไม่มีทางที่จะทําได้ไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นว่าท่านจามบโลนะัตั้งใจครับและจะใช้ชีวิตของท่านให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อโดยพึ่งพระเจ้านั่นเองนะครับประการต่อไปครับการอธิษฐานนั้นทําให้เรารู้กลลอุ บ, บายของมารซาตานในคั้งพีเดิมนะครับสองพงศษ์บทที่6ได้พูดถึงว่า ตอนที่อิสราเอลเนี่ยรบกับซีเรียพี่น้องรู้ไหครับว่าเมืองหลวงของซีเรียคือคือมือเมืองอะไรฮะเมืองอะไรฮะดามัสกัสเมืองดามัสกัสนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะที่ยังคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แล้วดามัสกัสเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่มีใครเคยตีเขาได้เลยเขาไม่แตกเลยนะครับไม่เคยถูกทำลายเลยนะหมื่นปีที่ผ่านมาเนี่ย นะเห็นว่าเป็นหมื่นปะีในที่ผ่านมานะไม่เคยถูกทำลายเลยสักครั้งเดียวนะครับเป็นเมืองที่อยู่ยั้งยืนยงมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับและเมืองดามัสกัสเนี่ยก็อยู่ในการพยากรในเพื่มพีเดิมด้วยในเพื่มพีเดิมเนี่ยนะพูดถึงเรื่องของกษัตริย์ซีเรียซึ่งเมืองหลว ง, งเขานี่คือดามัสกัสมารบกับอิสราเอลแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าผู้พยากรเนี่ยที่ชื่อว่าเอลีชานะท่านเป็นคนของพระเจ้าครับท่านเนี่ย อธิษฐานเมื่ออธิษฐานเสร็จในพระเจ้าเปิดเผยแผนกา ร, รบนะครับยุทธศาสตร์ของกษัตริย์ซีเรียเนี่ยให้เอริชาเห็นครับแผนการรบตรงนี้นะครับของศัตรูเนี่ยพระเจ้าเปิดเผยให้กับอิสราเอลและเวลาที่เขารบกันจริงๆเนี่ยกษัตริย์ซีเรียเนี่ยแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กๆนะ แต่เขาดันรู้แผนการของเราไปซะทั้งหมดทหารนะครับก็รายให้ทราบว่าอ๋อเพราะว่าเอริชาเนี่ยซึ่งเป็นคนของพระเจ้าเนี่ยได้บอกแผนการที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับท่านทราบกษัตศรีเรียก็เลยนำทหารมันล้อมเอริชาไว้พี่น้องเห็นไหมครับว่าพรังพีได้บันทึกบอกว่าเมื่ออธิษฐานเนี่ยเขาจะเห็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดเลย พระพระเจ้าเปิดเผยสมแดงยุทธศาสตร์ให้เห็นแผนการทุกอย่างเลยพี่น้องอันนี้านว่าสําคัญไม่สําคัญครับเพราะว่าเมื่อนิฐานพระเจ้าจะเปิดเผยใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูมาแผนไหนรู้หมดครับนะฮะนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเราเห็นนะครับว่าพลังที่เราจะชนะศัตรูได้นะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการอธิษฐานนั่นเองพี่น้องครับเมื่อไรก็ตามที่เรามีหัวใจผูกพันอยู่กับการอธิษฐานนะเมื่อ น, นั้นแหละ พระเจ้าจะเคลื่อนงานของพระองค์นะครับเพราะเขาและคนทั้งหลายจะเห็นว่าการเคลื่อนนั้นมาจากพระเจ้าครับไม่ได้มาจากกำลังของใครคนใดคนหนึ่งเพราะนั้นครับผมอยากจะบอกกับพระท่านว่าเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมซตของเรานะครับว่าถ้าเราอยากจะทำงานเพื่อพระเจ้าให้ประสบความสำเร็จถ้าเราจะอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพังพี มัทธิวบทหกก็สัมภาษว่าให้เราครับแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์กนและการแสวงหา น, นั้นแหละสแสดงออกมาด้วยการอธิษฐานการเอาชีวิตของเราเนี่ยผูกพันอยู่กับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้ามีสามัคคีทำกับพระเจ้าและนี่แหละเป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากเข้าใกล้พระเจ้านั้นดีเห็นไหมครับเข้าเข้าใกล้พระเจ้าแล้วงานสําเร็จเข้าใกล้พระเจ้าแล้วเราได้รับพระพรเข้าใกล้พระเจ้าแล้วเรามีกําลังเรามีพลังเพราะฉะนั้นให้เรา มีหัวใจผูกพันและยึดติดอยู่กับการอธิษฐานนะครับปัญหาต่างๆทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่อธิษฐานนะครับและเราปล่อยให้เนื้อนหนังของเราเนี่ยนะครับเข้ามามีความสําคัญมีส่วนร่วมมากจนเกินไปนะหรือบางครั้งบางคนให้อดีตของตัวเองนะประสบการณ์ของตัวเองอาจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จก็ดีเนี่ยเอาอดีตตรงนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นตัวตั้งเอาตัวเองเป็นตัวตั้ง เอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นตัวตั้งสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับทําให้เราเนี่ยไปไม่ถึงความสาเร็จเพราะว่าเราไม่ได้เอาพระเจ้ามาเป็นที่ตั้งเห็น ไ, ไหมครับเพราะเหตุนี้ทําให้เราจะต้องเข้ามาอยู่ในโหมดของการพึ่งพาอาศัยพระเจ้าตลอดเวลาเราต้องมาเข้ามาอยู่ในโหมดนะครับที่เราต้องยอมรับว่าความช่วยเหลือนั้นความสําเร็จนั้น แ, แผนการต่างๆนั้นดวงความคิดอย่างนั้นมาจากพระเจ้าความสำเร็จมาจากพระเจ้านะครับเอาละครับ พี่น้องมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะนําไปถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็คือว่าพลังแห่งการอธิษฐานนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไงเราอธิษฐานอย่างไงนะครับถึงจะประสบความสําเร็จและพระเจ้าจะตอบประการแรกครับเราต้องมีความเชื่อเวลาที่เราอธิษฐานตั้งแต่โกนก็ได้นะครับพี่น้องครับเวลาที่เราไปบางโบสถ์นะครับเขาอธิษฐานเนี่ยเขาตะโกนเสียงดังเลยเนาะนะฮะแล้วเราเนี่ย เป็นพวกที่อธิษฐานเสียงเบานะครับแล้วเราก็ไปอธิษฐานกับคนที่อธิษฐานเสียงดังอะไรเกิดขึ้นครับเสียงอธิษฐานของเขาเนี่ยนะกลบเราหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเรายืนอยู่ข้างๆใครเนี่ยเราก็ได้ยินคำอธิษฐานของเขาแต่เราไม่ได้ยินคำอธิษฐานของเราน่าเสียดายไหมครับพี่น้องวิธีแก้ทำไงไหมพี่น้องแล้วก็อธิษฐานเสียงดังสิครับเนะแล้วเราได้ยินคาอธิษฐานของเราแปลกไหมครับ เมื่อวันพระราชนี้เรามีกลุ่มแคนะครับเรียกว่ากลุ่มดีมีพี่น้องที่มาใหม่นะครับเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยเราร้องเพลงด้วยความชื่นชมดีร้องเสียงดังนะครับนะพอเวลาพี่น้องท่านนั้นเนี่ยอยู่ที่มาใหม่นะฮะมาร้องเพลงกับเราเนี่ยบอกว่ายอาจารย์แบบเสียงดังมากเลยนะตัวเองเนี่ไม่ชินผมก็เลยแนะนำํำบอกว่าทําไงดีไยบอกว่างั้นคุณข้ออธิษฐานเสียงร้ อ, อ, องเพลงเสียงดังสิ นะครับแล้วเขาก็ทําตามนะแปลกมากเลยอะไรเกิดขึ้นไหมครับเขาเริ่มได้ยินเสียงของเขาเอง่ะเวลาที่เขาร้องเสียงดังนะครับแล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนอื่นเบาลงนะครับและตัวเองก็ร้องดังขึ้นร้องดังขึ้นหลังขึ้นจนกระทั่งอะไรก็ไม่แปลกแยกอีกต่อไปวิธีแก้ตรงนี้นะครับถ้าเราอยู่ในโบสถ์ที่เสียงเบาๆนะฮะตอนเช้าลำโบสถเสียงเบาใช่ไหมครับนะเราร้องเพลงเสียงดังไปคนอื่นก็รู้สึกเราร้องหนวกหูนะ แต่เราไปโบสที่ร้องดังๆเราร้องเสียงค่อยไปนะเราก็นึกว่าคนอื่นร้องเสียงหนวกหูต้องมีการปรับนะครับจูนกันก็คือว่าถ้าเราไปอยู่ในการประชุมไหนก็ตามที่มีเสียงดังเราต้องร้องเสียงดังเลยนะครับนะ <begin> เพื่อที่อะไรเราจะได้ยินเสียงตัวเองแล้วเราจะไม่ยินเสียงหนวกหูของคนอื่นนะครับในวเดียวกันเนี่ยถ้าเรามาอยู่ในโบสที่เงียบๆนะครับเราก็อย่าร้องเสียงดังเราก็ปรับจูนของเราและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปรับตัวในเรื่องของการร้องเพลง ในเรื่องของการอธิษฐานนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเสียงไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญท่าทางไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่ท่าทีสำคัญท่าทีอะไรบ้างที่สำคัญความเชื่อครับการอธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อนะครับจะทำให้คำอธิษฐานนั้นมีพลังให้เกิดผลได้ทีนี้ผมจะมาดูนะครับว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้อย่างไงพี่น้องความเชื่อเกิดขึ้นได้ยงไ รพร่มภีเฉลยครับบอกว่าความเชื่อเกิดจากการที่เริ่มต้นการได้ยินครับได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังอะไรครับได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระกรัรมพีได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูถ้าเราฟังบ่อยๆนะครับอ่านพระกรัรมพีบ่อยๆเราจะเพิ่มพูนความเชื่อของเราทุกวันทุกวันโดยไม่รู้ตัวนะครับ เราสามารถที่จะให้พระวจนะเนี่ยแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่เราไม่รู้ตัวก็คืออ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยบางคนมาบอกว่าอาจารย์อ่านแล้วไม่เข้าใจทําไงก็อ่านไปครับอ่านไปเรื่อยเพราะว่าเราเชื่อว่าพระกัมภีร์เนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเราได้เพราความเชื่อตรงนี้เหมือนเหมือนกับยาบํารุงนะครับวิตามินเนี่ยคุณไม่เห็นผลหรอกวันแรกที่คุณกินแต่คุณจะเห็นผลเมื่อคุณกินไปนานเข้านานเข้านนงั้นร่างกายคุณยัมีความแข็งแรงต่อสู้กับ โรคภัยไข้เจ็บมีภูมิด้านทานนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินพระเจ้าของพระเจ้าหรือการอ่านพระเจ้าของเจ้านี่สําคัญอาจจะไม่เห็นผลตอนนี้แต่คุณอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยพอเวลาเจอเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยแป๊บก็มาทันทีเลยเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับเคยใช่ไหมนะแป๊บขึ้นมาทันทีเลยนะเราขับรถขับไปเจอคนตัดหน้าปกติแล้วไงครับไอจุด มันจุดจุจุด จ, ดจดุแต่พออ่านพิ่พมีไปเรื่อยอ่านเพิ่มพีไปเรื่อยคำว่าไอ้เปลีป่ยนไปไหนครับอุยพรเขาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะบางคนเนี่ยนะแปลกครับผมเคยเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมเคยนั่งรถไปคนคนหนึ่งพอเวลาคนปาดหน้านะเขาเขาว่าว่าไงวนะ่าสงสัยมันจะไปหาพ่อมันที่โรงพยาบาล นี่เป็นคำอะไรครับดูเหมือนว่าตลกตลกนะแต่เป็นคำแช่งไงเห็นไหมสงสัยมันจะต้องไปหารีบไปหาพ่อมันที่โรงพยาบาลคำแช่งไงพี่น้องครับพอเวลาเราอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลูกของพระเจ้าจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าเปล่าครับลูกของพระเจ้าจะอวยพรเขาไม่เป็นไรเขาอาจจะรีบร้อนเขาจะด่วนเขาจะไปก่อนก็ไม่เป็นไรพี่น้องสังเกตดูเวลาที่เราเข้าใกล้พระเจ้ามากๆนะอารมณ์ดีนะมีความชื่นบานมีความชื่นชมดีนะเราจะเราจะเป็นอีกคนหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์เสียนะหรือว่าเรามีหงุดหงิดอะไรใจนะแล้วจะเป็นอี ก, อกคนนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องรู้ตัวตนรู้อารมณ์ของเรานะครับรู้จักอารมณ์ของเราและเราต้องให้พร ะ, ะพระเจ้า เ, เข้ามาเกิดผลในชีวิตของเราเมื่อนั้นแหละการอธิษฐานของเราจะมีพลังการอธิษฐานของเรานะครับจะเกิดผลเราจะแยกชีวิตกับความเชื่อออกไปไม่ได้ออกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อ นะครับเราจึงอธิษฐานนะฮะเรามีความเชื่อเราจึงนั่งรถด้วยความไม่กวนกวายขึ้นเครื่องบินแล้วก็ขึ้นเครื่องบิ น, น, น, นและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะนําเครื่องบินลําเนี้ยไปถึงจุดหมายได้เนี่ยครับคือความเชื่อนะเรานั่งอยู่ที่นี่เราก็มีความเชื่อว่าเนี่ยโครงสร้างของบทพัฒนานี่แข็งแรงนะครับไม่ถลม่มหลังคาไม่ถล่มออมาทับเราเนี่ยครับคือชีวิตกับความเชื่อมันแยกกันไม่ได้ เช่นเดียวกันครับชีวิตฝ่ายวิญญาณก็จะแยกนะครับความเชื่อออกจากการอธิษฐานไม่ได้เหมือนกันเพราอธิษฐานเมื่อไหร่เนี่ยความเชื่อเนี่ยต้องเกิดถ้าไม่เกิดอธิษฐานไม่ได้นะถ้าไม่มีความเชื่อนอธิษฐานไม่ได้และยิ่งมีความเชื่อพลังในการอธิษฐานจะมากขึ้นนะครับเรามาดูนะครับคนที่เป็นโรคเรื้อนมหาพระเยซูเขาแสดงความเชื่อของเขานะออกมาพบกับพระเยซูผู้หญิงที่โลหิตตก38ปี ถูกไหมครับนะไอ้ขอโทษสิบสองปีนะครับมาหาพระเยซูแบบแอบแอบมาแล้วมาแตะที่ชายฉลองพระเยซูใช่ไหมครับนะเสร็จแล้วนี่พระเยซูถามว่าใครที่มาแตะพระเยซูก็ให้เขาสดงตัวเขาต้องสำแดงตัวด้วยความเชื่อว่าเนี่ยฉันหายโรคแล้วนะสารภาพว่าเนี่ยได้แตะพระเยซูนี่ครับความเชื่อเนี่ยมันแสดงออกด้วยการยอมรับและความกล้าหาญนะครับเอาละครับไปถึงหัวข้อที่ ต่อไปก็คือว่าการอธิษฐานที่เราจะรับคําตอบได้นะครับจะต้องทูลขออย่างเจาะจงจต้องทูลขออย่างเจาะจงสมมุตินะครับว่าเราอยากจะให้คริดจากของพระเจ้าเนี่ยเติบโตขึ้นคําถามก็คือว่าเจาะจงแค่ไหนเจาะจงยังไงครับหรือเมือ่ออธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเติมเต็ม นะครับที่นั่งเนี่ยนะครับที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยสี400่้อยถึงห้าอที่นั่งเนี่ยตเติมเต็มเลย4 500ร้อคนเนี่ยเติมเต็มได้ไหมอธิษฐานเจอด จ, จงอธิษฐานทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องอยากเห็นคนมารับเชื่อพระเจ้าเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้ า, ามากๆอยากเห็นไหมครับอยากเห็นนะครับอยากทาตามพระผ่าบัญชาของพระเจ้าไหมครับอยากใช่ไหมครับทําไงครับอธิษฐานครับอธิษฐานขอให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนําสักคนมาเชื่อพระเจ้าทุกวันเนี้ย เรามีคนที่มานมาสการพระเจ้ากับเรานะครับตอนเช้าสิบโมงครึ่งเนี่ยนครับส mm ิบโมงสิบห้าเนี่ยมีประมาณอยู่ที่สามร้อยกว่าคนถ้าทุกคนนะครับนำหนึ่งคนมาโบสเนี่ยก็เท่ากับเท่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหกเจ็ดร้อยคนแล้วครับเต็มโบสแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอธิษฐานให้เราเป็นภ้าชนะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการนําคนมาถึงพระเจ้านะและด้วยเหตุนี้ทําให้ผมเองเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะ หนุนใจพี่น้องเนี่ยอยปลุกระดมปลุกระพี่น้องว่าเราอยากจะเห็นการขยายตัวของของแผ่นดินพระเจ้าไหมเราอยากมีส่วนในการทําให้แผ่นดินของพระเจ้าไหมเริ่มต้นด้วยก่อนอธิษฐานครับอธิษฐานก่อนเลยกลับไปวันนี้นะครับตั้งใจกับเราตั้งใจกับพระเจ้าเราตั้งใจพระเจ้าว่าขอให้พระเจ้าช่วยเราในการที่อธิษฐานทุกวันทุกวันทุกวันอยากจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าขยายออกอยากจะเห็นคนมาโบสเยอะแยะอยากจะเห็นคนรับความรอดมากมาย นะครับตรงนี้เองผมอยากจะพูดถึงผู้ชายตาบอดที่ไปหาพระเยซูพระเยซูมักจะใช้คําถามนะครับเวลาที่ชายตาบอดคนนี้ในพระธรรมลูกาบทที่สิบเนี่ยชายตาบอดคนนี้ทูลขอพระเจ้าพระเยซูอย่างเจาะจงนะครับพระเยซูถามว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไรให้เจ้าพระเยซูถามชายตาบอดนะฮะ คำถามของผมที่มีต่อท่านในทุกวันนี้ก็คืออะไรครับในวันนี้คืออะไรครับถามพระเยซูไม่รู้หรือว่าชายคนนี้ตาบอดรู้ครับแล้วพระเยซูไม่รู้หรือว่าเขามาหาพระเยซูเพื่อที่จะให้รักษาตาให้เขาให้หายบอดรู้ไหมครับพระเยซูรู้มครัรู้แต่คําถามก็คือว่าทําไมพระเยซูต้องถามครับไม่ใช่เพราะพระเยซูไม่รู้แต่พระเยซูถามเพื่อที่จะให้เขาเจาะจงและ เขาแสดงตัวว่าเขามีความเชื่อครับเจ้าปรารถนา จ, จะให้เราทำอะไรให้เจ้าขอให้เสียงเนี้ยดังก้องอยู่ในชีวิตของเราวันนี้นะเมื่อเราอธิษฐานเราจะได้ยินเสียงของพระเยซูถามเราบอกว่าอยากให้เราทำอะไรให้ล่ะลูกพระเจ้าถามเราเนี้ยพระองค์รู้หรือเปล่ารู้นะครับพระองค์ไม่ใช่ไม่รู้แต่ให้เราเนี่ยเจาะจง อธิษฐานเจาะจงอย่าอธิษฐานเวี่ยงแหนะครับแต่อธิษฐานเจาะจงพระองค์เจ้าข้าขอเพิ่มกําลังข้าพระองค์ในการอธิษฐานขอข้าพระองค์ที่จะนําคนหนึ่งมาถึงพระเยซูขอข้าพระองค์ที่จะช่วยเหลือคนหนึ่งในสัปดาห์หน้าขอพระองค์ที่จะช่วยทําอะไรเฉพาะเจาะจงเพราะอะไรครับคนตาบอดคนนี้บอกว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้ให้ข้าพระองค์เห็นได้เห็นไหม เขาตอบอย่างเฉพาะเจาะจงเขาขออย่างเฉพาะเจาะจงขอให้เห็นได้ขอในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก่อนเสมอนะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเห็นเถิดจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติลูกาบันทึกว่าในทันใดนั้นเขาก็เห็นนำความชื่นชมดีมาให้นะครับเมื่อพระเจ้าตอบคำนิฐานนี้ ในทันใดนั้นเขาก็เห็นพี่น้องครับเราต้องเจาะลึกอธิษฐานแบบเจาะจงนะครับลงไปในคําอธิษฐานของเราอาเมนไหมครับเพราะฉะั้นตั้งอย่างนี้ต่อไปนะครับยา้ายที่ฐานเวียงแหนะครับอธิษฐานเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องเรื่องเเรื่องเทุกวันทุกวันพี่น้องที่มีลายนะครับมีการอธิษฐานในลายอาจารย์ทวิพง์เนี่ย ใส่เข้าไปในลายทุกเช้าทุกเช้าอธิษฐานเจาะจงเผื่อท่านนี้เผื่อท่านนี้เผื่อท่านนี้เผื่อท่านนี้เห็นไหมครับเผื่องานของพระเจ้าในแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอยา่างแล้วพี่น้องเห็นไหมว่าเมื่อเราอธิษฐานนะครับ <isz> แบบเนี้ย แ, แบบนี้แบบนี้เนี้ยเราเห็นพระเจ้าตอบกาอธิษฐานนะใครเคยดูหนังเรื่องวอลลุ่มไหมครับใครเคยดูหนังวอลลุ่มฮะเป็นไงครับเขาเข้าไปอยู่ในห้องอะไรฮะห้องเก็บของใช่ไหมครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ เอากระดาษออกมาเนี่ยเขียนครับนะเขียนว่าอะไรครับอธิษฐานเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในห้องนั้นมันอะไรก็อธิษฐานเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนอกห้องมีอะไรเกิดขึ้นครับนอกห้องเนี่ยมีมีรูปอยู่รูปหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยได้เขียนครับว่าพระเจ้าตอบอธิษฐานอะไรบ้างแล้วก็แปะไว้ถวายเกียรติพระเจ้าโชว์เลยครับนี่เห็นไหมพระเจ้าตอบอธิษฐานเรื่องนี้เรื่องนี้ เป็นแนวคิดที่ดีเพราะว่าอะไรครับผนังบ้านเราเนี่ยเวลาเราเราแขวนรูปเนี่ยไม่จะแขวนรูปอะไรรูปลับประเลนยารูปไปเที่ยวนูน่นไปเที่ยวนี่ใช่ไหมครับมีใครเคยคิดไหมว่าเราจะแปะคําอธิษฐานที่ได้รับคําตอบไม่เคยมีใครคิดแบบนี้เลยลองกลับไปทําดูนะครับเราไปเขียนดูว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราอธิษฐานสําคัญสําคัญกี่อย่างและพระเจ้าตอบอธิษฐานอะไรอีบ้างเขียนแปะไว้เลยเวลาเราเดินไปเดินมาเห็น พระเจ้าของเรานี้สัตซ์ซื่อนะพระเจ้าของเรานี้แสนดีนะพระเจ้าของเรานี้ประเสริฐนะพระเจ้าคนนี้รักเรานะเห็นไหมครับและนี่คือคําพยานที่พระเจ้าตอบคาอธิษฐานของเราและเมื่อเราแปะไว้เนี่ยเราเดินผ่านทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเดินเดินไปเดินไเดินมาเดินมามันเป็นการกระตุ้นเตือนเราตลอดเวลาพระเจ้าของเราทรงแสนดีพระเจ้าของเราทรงสัตซ์ซื่อพระเจ้าของเรารักเรามากที่สุด และเมื่อเรามีความทุกข์ยากลําบากปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตเดินผ่านไปปุ๊บนี่ไงพระเจ้าพระเจ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ในอดีตอย่างไงพระเจ้าก็เป็นแบบเดียวกันวันนี้และพระเจ้าจะเป็นแบบเดียวกันในอนาคตเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยเดินไปเดินมาพี่น้องครับเราต้องแปะคําอธิษฐานของเราและคําตอบคอําอธิษฐานนี่ยอยู่ฝาบ้านเลยนะนะครับแล้วมีผิดทรงนั้นเรามาโบสเนี่ยเรามีสามัคคีธรรมระหว่างพี่น้องเนี่ย แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่มีประสบการณ์และแบ่งปั น, ป, นประสบการณ์ของการตอบคาอธิษฐานบอกว่าเนี่ยไม่เป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงนะพระเจ้าช่วยได้วันนี้ผมกับคุณนกเนี่ย ไ, ได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อน้องส้มนะเขากำลังจะไปรับการรักษาแบบแบบแบบหมอนะเป็นมะเร็งนะนะแตไ่ไม่ยอมรับเ ค, เคมีบบัตนะนะแต่ว่าเขาจะอธิษฐานด้วยความเชื่อนะเราก็อธิษฐานเผื่อเขา และทำอภิษฐานนั่นน่ยผมจะบอกให้ว่าพระเจ้าฟังนะครับและการอภิษฐานนั้นจะเป็นการอภิษฐานที่มีพลังมากเลยต่อไปครับการอภิษฐานที่มีพลังนั้นด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทําส่วนของพระองค์และเราพร้อมจะทําส่วนของเรามีบุคคลในพัมพีครับคนคนนี้ชื่อว่ายาเบสนะครับผมจะพูดถึง เรื่องราวของยาเบสแล้วผมก็จะจบคําเทศนาในวันนี้พี่น้องที่มีพักรบีนะครับเราจะเปิดในหนึ่งพงศวดานบทที่4ี่ข้อสิถ้าใครมีพักรบีนะครับเป็นเล่มๆนะฮะเราก็เปิดนะครับห น, นึนะ่งพงศวดานบทที่4ข้อที่10ถ้ามีใครมีสมาร์ทโฟนนะเคาะไปได้เลยหนึ่งพงศวดานบทที่4ี่ข้อสิเนี่ยขอให้เป็นคําอธิษฐานของเรานะครับในบ่ายวันนี้พี่น้องครับ เขาอธิษฐานเนี่ยอยู่4ประการด้วยกันผมจำได้ว่าผมเคยเทศนาเรื่องนี้ในบทพัฒนามา ก, ก่อนนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดซ้ำอีกทีหนึ่งหนึ่งพงศาวดารบทที่4ี่ข้อ1ิชชวนอ่านพร้อมกันนะครับยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ขอพระหัตของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงรักษาข้าพรงค์ให้พ้นจากเหตุร้ายเพื่อมิให้ข้าพรงค์เจ็บใจปวดกายและพระเจ้าทรงประสาท ต, ตามที่เขาทูลขอนะครับถ้าเราดูอีกทีนะฮะเขาขอสี่อย่างอย่างแรกคืออะไ ร, ขอ พ, ะพรขอพระพรขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพรงค์เห็นไหมเขาพระพรนะฮะสองขอพระองคนะ์ง ข, งขยายเขตแดนของข้าพรงค์เขตแดนนะฮะ 3. ขอพระหัช์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และ4ขอรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้ายหรือเหตุซึ่งชั่วร้าย 4. อย่างนี้ครับเป็นสาระของการขอของคำอธิษฐานของยาเบสและคำอธิษฐานของยาเบสเนี่ยถือว่าเป็นคำอธิษฐานที่มีคนพูดนะครับถึงคำอธิษฐานเนี่ยนะรองจากคำอธิษฐานของพระเยซูรองจากคำอธิษฐานของชุลมล ลองอ่านพระเนรของซามอเอวนะฮนะยาเบสเนี่ยเป็นคำอธิษฐานที่คนกล่าวถึงนะครับหนึ่งในห้าของคำอธิฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดในพระคัมภีร์นะฮะยาเบสเนี่ยติดท็อปไฟฟนะครับของการอธิษฐานเรามาดูกันครับคน อ, อธิษฐานที่ติดท็อปไฟฟ์เนี่ยเขาอธิษฐานอะไรบ้างหนึ่งอธิษฐานขอพรพระเจ้าสองอธิษฐานขออะไรครับขอขยายเขตแดนสอธิษฐานขอพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา สีอธิษฐานขอรักษาเขาปกป้องเขาให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรือซึ่งชั่วร้ายสีอย่างนี่นะครับเป็นสาระคำอธิษฐานเรานูานะครับเราจะขอแบบยาเบสไดยไหมหนึ่งครับขอพระเจ้าอวยพรถามว่าพระพร น, นั้นเป็นน้ํามัไทยของพระเจ้าหรือเปล่าคําตอบคือใช่เหมือนกับที่เราที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับพระพรของพระเจ้าเนี่ยเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมให้กับเราแล้วเพียงแต่เรายื่นมือขอเอา ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะครับพระเจ้าก็เก็บรอไว้เราก็ไปเบิกเอาไปรับเอานะครับง่ายแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเราทุกๆคนพระเจ้าเรียกเรานะครับให้มาเป็นพระพรให้กับคนอื่นฉะนั้นเราจึงต้องรับพรก่อนถูกไหมครับถ้าเราไม่มีพรจะกลายเป็นพรให้กับคนอื่นได้ไง สมัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอธิษฐานนะครับขอพระพรจากพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกแน่นอนเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนเพราะถ้าเราไม่รับพรแล้วเราจะเป็นพรไม่ได้เพระเาะฉะนั้นเราต้องเข้าใจท่าทีนะครับการที่พระพรจะตกมาถึงเราเนี่ยนะครับยาเบสเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้เ i̇şte. พระเาะว่าเขาอธิษฐานขออวยพร拜拜การอวยพรจากพระเจ้าและเมื่อพรมาถึงชีวิตของเขานะผ่านทางการเชื่อฟัง ้ครับพรเนี่ยพระพรเนี่ยผ่านมาทางการเชื่อฟังเพราะฉะนั้นท่าทีของคนที่จะได้รับพรเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นจากท่าทีของการเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าเชื่อฟังพระคำพีเชื่อฟังคาสอนของพระเจ้าเสียก่อนเพราะฉะนั้นความพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเห็นความพร้อมของใครเมื่อไหร่พระพรจะไหลมาทันทีครับนะ แล้วเมื่อเราเชื่อฟังเราดำเนินชีวิตตามการเชื่อฟังพรจะไหลเข้ามาในชีวิตและไหลออกไปผ่านชีวิตของเรานี่เป็นทางแห่งพระพรผมชอบใช้คําว่าท่อนะครับผู้ใหญ่บอกว่าท่อไม่ดีนะมันเหมือนกับท่อท่ออะไรก็ไม่รู้เรียกเป็นทางดีกว่านะทางน้ำเนี่ยนะครับถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยทางน้ำเนี่ยมันมันไหลเป็นน้ำเนี่ยเพราะว่าหิมะมันละลายใช่ไหมครับหิมะอยู่บนเขาเนี่ยละลายแล้วกลายเป็นทางน้ําใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆยิ่งไปไปเรื่อย ชีวิตของเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่ารับพรจากอง์พระเจ้าอยู่สูงเลยนะครับแล้วก็ไหลมาเป็นพรนะครับผ่านชีวิตของเราด้วยแล้วก็ไหลเป็นพรให้คนอื่นนี่นะครับคือภาพของพระพรเรารับพรเพื่อที่จะเป็นพรโดยนะครับพร้อมที่จะเชื่อฟังและขอด้วยการอธิษฐานนะครับเอาละครับบ่อยครั้งที่เราขอพระเจ้าไว้พรแต่เราไม่ได้ทําส่วนของเราอันนี้สําคัญครับทําให้พรจึงไม่ได้ นะครับเช่นถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าประทานฤทธิดเดชให้กับเราพี่น้องรู้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเชื่อฟังเรื่องอะไรอยากจะเห็นฤทธิดเดชต้องเชื่อฟังเรื่องอะไรก่อนครับอยากจะเห็นการอัศจรรย์ต้องเชื่อฟังเรื่องอะไรก่อนครับ ค, คาตอบก็คือต้อง ประกาศข่าวประเสริฐเราจะเห็นฤทธิเดชเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระมปีร์บอกว่าข่าวประเสริฐหรือโอชนะหรือพระกมพีหรือถ้อยคํานั้นเป็นฤทธิเดชเมื่อเราประกาศถ้อยคําเราก็จะเห็นฤทธิเดชพระเยซูบอกว่าฤทธิฐานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบให้กับเราแล้วเห็นไหมครับฤทธิเดชเนี่ยมอบกับพระเยซูแล้วเหตุฉะนั้นท่านจงออกไปประกาศ สั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรานีมาระโกบทสุดท้ายข้อสุดท้ายบอกว่าด้วยว่ามีคนเชื่อที่ไหนอะไรครับอะไรเกิดครับหมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นคนเชื่อที่ไหนเนี่ยนะการอาจซรย์เกิดขึ้นกับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ริดเดทเราเห็นเห็นริดเดทเนี่ยเราต้องเชื่อฟังด้วยการประกาศแล้วประกาศครับประกาศประกาศประกาศริดเดทไม่ใช่อยู่ที่เรา ฤทธิเดชนี่เราจะเห็นและฤทธิเดชเป็นของใครครับเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราพร้อมที่เชื่อฟังในการประกาศนะเราเห็นชีวิตเปลี่ยนคนเราเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเขาจะเปลี่ยนเองได้นะครับจากคนที่เคยติดยาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนที่ดีจากคนที่เคยเป็นคนโมโหร้ายนะครับจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีเป็นคนสงบเยือกเย็นจากคนที่แย่แย่กลายเป็นคนที่ใช้การได้เนี่ยอันนี้คือฤทธิเดชหรือเปล่าใช่ครับ อันนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์หรือเปล่าใช่ครับนะบางคนเนี่ยเป็นโรคเจ็บป่วยให้ป่วยเนี่ยอธิษฐานด้วยความเชื่อนะครับเขาหายโรคนี่คือริดเดตไหมแล้วเข้ามาเชื่อพระเจ้านี่ริดเดตไหมนี่คือิดเดตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจับประเด็นให้ถูกนะครับถ้าเราอยากจะเห็นริดเดตเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐเดีเมื่อเรายิ่งประกาศเนี่ยจะเห็นยิ่งรดเดตริดเดตริดเดตพอมาถึงเวลาของเราเองบ้างนะฮะเราอธิษฐานขอริดเดตเนี่ยก็คืออะไรครับ เกิดจากการที่เราจะนําคนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราเห็นฤทธิเดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเห็นฤทธิเดชด้วยแต่ก่อนนี่เราพูดไม่ค่อยเก่งตอบคําถามก็ไม่ค่อยได้แต่มีหัวใจในการประกาศมีหัวใจในการอธิษฐานเผื่อคนอื่นเมื่ออธิษฐานแรกๆนะอธิษฐานแล้วอธิษฐานก็ไม่ค่อยได้แล้วรู้สึกจะท้อใจใจจะฝ่อห่อเหี่ยวนะแต่เมื่อยิ่งอธิษฐานยิ่งมีความเชื่อเนี่ยเมื่อยิ่งตั้งใจให้ถูกว่านี่เป็นการทรงนําของพระเจ้าและนําเขาให้มาเป็นคริสเตียนเนี่ยปรากฏว่าสิ่งอัศจรรย์เกิดครับ คนที่ไม่เคยอยากจะประกาศเนี่ยเขากลับกลายเป็นลุกขึ้นมาประกาศเนาะคนที่คนที่ท้อแท้ใจเนี่ยเขาเริ่มมีกําลังใจเราที่ฐานเผื่อคนเหล่านั้นพี่น้องครับอยากจะเห็นฤทธิดเดชต้องเชื่อฟังในการประกาศถ้าอยากจะเห็นพระเจ้าปกป้องคุ้มครองนะครับปกป้อง ค, ครองนะเราต้องรักษาวันสบาโตเหอไหมอยากจะมีชีวิตยืนยาวแผ่นโลกต้องทําอะไรครับกระตันยูพ่อแม่เห็นไหมครับนะ อยากจะรับพระพรในโลกนี้รับเดลลในโลกน่าจำเป็นที่ต้องรับใช้พระเจ้านะอย่างนี้นครับคือท่าเทียงการเชื่อฝั่งพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขสัญญาอยู่เสมอพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาสัญญาเพราะพระองค์นั้นตั้งต้นสัญญาและเป็นคนที่เขียนสัญญาเพราะว่าใครก็ตามที่อยู่ในเงื่อนไขเนี่ยนะครับเขาจะได้เห็นอย่างนี้เขาจะได้ได้อย่างนี้เขาจะได้เป็นอย่างนี้และนี่เขากฎของพระเจ้านะครับ นี่เป็นพรที่เราจะได้รับเป็นประการแรกประการที่สองครับยาเบสขอให้พระเจ้าขยายอาณาเขตนะเขาอธิษฐานตามแบบพระเยซูเลยพระเยซูอธิษฐานว่างไงครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้นั่นคือสวรรค์บนดินนะครับสวรรค์บนดินและแผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้คืออะไรไหมครับพี่น้องคือคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยคือขอบเขต หรือแผ่นดินของพระเจ้าที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับแผ่นดินของพระเจ้านี่ไม่ใช่เป็นอาคารสถานที่แต่เป็นอํานาจอธิปไตยที่พระเจ้าครอบคร อ, องเราเห็นไหมครับแผ่นดินของพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นอยู่ในโลกนี้นะไม่ได้เป็นของโลกนี้แต่อยู่ในโลกนี้ก็คืออยู่ในลักษณะของครดี จ, จักรครดี จ, จักไม่ได้หมายถึงตัวอาคาร น, นะครับนะเพราะฉะนั้นเราขอพรให้พระเจ้าขยายอาณาเขตของเราเนี่ยไม่ใช่อาณาเขตแบบอะไรครับแบบขยายที่ดินไม่ใช่แต่เป็นอาณาเขตแบบไหนครับเป็นอาณาเขตฝ่ายวิญญาณ ทิ่งเราจะไปทำงานของพระเจ้าเราจะ reach out นะครับก็คือยื่นมือออกไปแตะคนอื่นที่ไม่ไเป็นพระเจ้าเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยแตะเขาแตะเขาแตะเขาแตะเขานำความช่วยเหลือนาความรักนาความรอดไปถึงพวกเขาเนี่ยวลาแตะแตะแตะแต ะ, แต ะ, แต ะ, แตะพี่น้องเคยเล่นอะไรนะเล่นเล่นเล่นเกมเด็กๆใช่พอแตะแล้วเป็นแตะแล้วเป็นแตะแล้วเป็นจาได้ไหมแตะแล้วเป็นเหมือนกับโรคระบาดใช่ไจได้ครับเกิดทันวะเกิดทันนะน แต่ละเป็นแต่ละเป็นแต่ละเป็นนี่แหละครับคือยื่นมือไปแตะเขานะครับเราเป็นคริสเตียน่ะแตะปุ๊บเนี่ยเขาไป็นฮะเป็น ไ, นไม่ได้หมายความไปแตะอย่างนี้แนละเป็นไม่ใช่ครับคือยื่นชีวิตแตะต้องชีวิตชีวิตแตะชีวิตและเขาจะเป็นคริสเตียนได้เพราะว่าเราไปแตะเขาชีวิตของเราเนี่ยแตะชีวิตของเขาพี่นะครับตรงนี้นี่เองทำให้แผ่นดินพระเจ้าขยายอาณาเขตเพราะเรายิ่งมีอิทธิพลนะครับเรายิ่งสูงขึ้นไปนะครับ เรายิ่งสว่างมากเนี่ยก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นชัดมากผมเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านชอบไปเทศนาตามชนบทนะเมื่อไปเทศนาตามชนบทที่ห่างไกลเนี่ยมีคืนหนึ่งเนี่ยนะครับไปเทศนาที่หมู่บ้านหนึ่งมีคิสจักรตั้งอยู่หมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟสาธารณานะถนนหนทางเนี่ยไม่มีไฟครับนะ อาจารย์กำลังจะขึ้นมาเทศนาแล้วมีมัคคยกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวก่อนนะขอรอผู้ปกครองมาผู้ปกครองคนนี้นี่ใหญ่มากขนาดไหนเนอะอาจารย์จะขึ้นมาเทศนาแล้วเนี่ยมัคคยกว่าขอให้รอก่อนรอก่อนนะเพราะว่าผู้ปกครองท่านนั้นจะมาทุกครั้งไม่เคยขาดเลยขอช่วยรอหน่อยนิดนึงนะท่านกําลังเดินทางมาแน่นอนนะอาจารย์ก็รอสักครู่หนึ่งครับผู้ปกครองท่านนั้นเดินมา ผู้ปกครองท่านนั้นเนี่ยเดินมาเข้าโบสเนี่ยนะครับแปลกมากทีเดียวโบสก็สว่างๆเนะี่ยแต่ข้างนอกมันมืดนะท่านก็ถือตะเกียงเดินเข้ามาในโบสเพราะท่านท่านไม่ได้ดับตะเกียงนะเพราะอะไรถึงไมได่ดับตะเกียงไหมฮะท่านผู้ปกครองท่านเนี่ยท่านเป็นคนตาบอดอาจารย์กําลังจะเทศนาหาันไปบอกผู้ปกครองมาแล้วเหรอเฮ้ยทำไมผู้ปกครองคนนี้ยืนถือตะเกียงเข้ามาในโบสไปถาม นะก่อนที่จะขึ้นเทศนาไปถามสวัสดีครับผู้ปกครองพวกเรารอท่านอยู่นะครั บ, นะรบผมก็มาจากที่อื่นไม่รู้จักท่านผมขอถามท่านนิดหนึ่งท่านดูเหมือนท่านตาไม่ก็เห็นใช่ไหมครับท่านตาฟาดตามัวเหมือนกับตาของคนแก่ไหมผนะพวกของท่านนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ผมเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยโอโหอาจารย์งงนะฮะแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะถามต่อต้องขึ้นมาเทศนาท่านก็เทศนาด้วย ความอะไฮะความสงสัยในิจใจทาไมผู้ปกครองท่านนี้สาคัญถึงอขนาดทั้งบทต้องรอและและทําไมท่านถึงถือตะเกียงได้ทั้งที่ท่านตาบอดหลังจากเทศนาเสร็จอาจารย์ก็ลงไปแล้วก็ไปทักทายแล้วก็คุยกับผู้ปกครองท่านนี้ผู้คันนี้บอกอาจารย์ครับผมจะบอกอาจารย์ให้ผมมีเหตุผลนะครับสประการ ที่ผมตาบอดและผมต้องถือตะเกียงมาประการแรกผมต้องการความปลอดภัยของผมเองเวลาถือตะเกียงกลางคืนในถนนที่ไม่มีไฟเนี่ยเป็นความปลอดภัยของผมเองนะเพราะว่าผมไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาชนผมนะเพราะว่าผมอยู่ในความมืดอันนี้เป็นประการแรกประการที่สอง ผมช่วยคนอื่นให้เขาเห็นทางคนที่เดินทานไปผ่านมานะครับคนที่เดินตามหลังผมมาก็จะเห็นแสงไฟจากตะเกียงของผมเนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องคิดถึงตัวเองคิดถึงคนอื่นนะประการที่3ท่านลองนึดูนะครับเหตุผลประการที่3าที่อาจารย์ท่านนี้จะบอกผมถือตะเกียงเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างสร้างบรรทัดฐานให้ทุกคนถือตะเกียงเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง เหมือนกับทางการบอกว่าทุกคนเวลาที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกเขากําลังสร้างมาตรฐานของการเดินในความมืดเนี่ยทุกคนควรจะถือตะเกียงเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนี่ยพี่น้องครับสามเหตุผลนี้อาจารย์ก็บอกยอมแล้วที่คริสตจักรทั้งคริสตจักรในทุกคนต้องรอผู้ปกคองท่านนั้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านเป็นคนของพระเจ้า คนของพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่คิดถึงความปลอดภัยงตัวเองคิดถึงความปลอดภัยงตัวอื่นของคนอื่นด้วยและและสร้างบรรทัศฐานที่ดีให้กับสังคมต่อไปเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมกําลังบอกว่าเราทําส่วนของเราแล้วพระเจ้าจะทําส่วนของพรงุงและนี่คือการขยายอาณาเขตของพระเจ้าขยายบรรทัศฐานมาตรฐานนะครับที่เป็นมาตรฐานระดับระดับสวรรค์ครับ ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ประการที่3มที่ยาเบสขอนะครับขอให้พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเขาการที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอให้พระหัตของพระเจ้าอยู่กับเขาเนี่ยท่านจะทําอะไรก็สําเร็จไม่มีใครแตะต้องท่านได้ผมนึกถึงสมัยที่อิสราเอลนะครับเขาเข้าอยู่ในแผ่นดินพันธุยาในช่วงนั้นน่ะเขาจะต้องต่อสู้กับคนฟริสเตียใช่ไหมครับ แล้วอะไรไหมครับหีบพันธัญญาของพระเจ้าเนี่ยหีบ พ, พันธสัญญานะครับก็ปรากฏว่าทํากับเขาอย่างไม่ถูกต้องทํากับหีบพันธัญญาอย่างไม่ถูกต้องนะหีบพันธัญญาเนี่ยก็เลยตกอยู่ในในกลุ่มฟริสเตียที่เป็นศัตรูของอิสราเอลแต่มีวันหนึ่งครับฟริสเตียบอกไม่เอาแล้วเพราะหีบพันธัญญานี่ยอยู่กับฟริสเตียเนี่ยผ้าดาโกนของฟริสเตียก็ล้มคว่ำลงภัยพิบัติเกิดขึ้นกับประเทศประเทศฟริสเตียพวกคนฟริสเตียฟริสเตียก็เลยส่งคืนมา เมื่อส่งคืนมาปุ๊บเนี่ยนะครับฮิบพันธสัญญาเนี่ยไปอยู่บ้านไหนนะบ้านนั้นเป็นยังไงครับได้รับพระพรสูงมากเลยนะครับเข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ยใครที่ใครก็ตามที่ปฏิบัติต่อหิบพันธสัญญาอย่างถูกต้องเนี่ยบ้านและครอบครัวของเขาเนี่ยจะได้รับการอวยพรแต่ในขณะที่คนเลวีเองเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ควรจะต้องหามหิบพันธสัญญาเนี่ยเขากลับไม่ยอมหาม เพราะว่าการเคลื่อนย้ายหีบพันธัญญาเนี่ยจากฟริสตีจา ก, จากฟริสเตียเนี่ยนะเข้ามาสู่ดินแดนพันธัญญาเนี่ยครับเ <Ooh. S 1> มืองของดาวิดเนี่ยนะนะเขาจะต้องใช้วิธีหามเพื่องผี่พูดชัดเลยต้องใช้วิธีหามนะหามเท่านั้นนะครับแต่ด้วยความหวังดีนะพวกเขาก็อะไรครับเอาหีบพันธญญาไปไว้บนกเกวียนนะครับไม่หามนะแล้วก็พยุงกันไปพยุงกันไปนะครับปรากฏว่าช่วงที่วัวเนี่ยนะครับมันกระโดกกระเดกกระโดกระเดกนะขูกขาขูกขานี้ หีบจะล้มหีบจะหลุดออกจากเกวียนนคนก็เลวีก็เอามือไปจับครับปรากฏว่าตายความยำเกรงพระเจ้าจึงเกิดขึ้นตั้งแต่เลวีคนนั้นเนี่ยนะซึ่งมีหน้าที่หามหีบแล้วไม่หามเนี่ยนะไปจับเนี่ยตายเลยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้เรารู้ว่า การขยายอาณาเขตของพระเจ้านะการอวยพรของพระเจ้านะพระหัตถ์ของพระเจ้านะการทรงเสด็จของพระเจ้านะอยู่กับใครเนี่ยคนคนไหนเนี่ยที่ตอบสนองถูกต้องปุ๊บเนี่ยพระพรหลั่งลงมาเยอะแยะแต่ตอบสนองไม่ถูกเนี่ยไม่ได้ผมมักจะเปรียบเทียบ ว, ว่าเวลาฝนตกต้องหงายชามใช่ไหมครับรองน้ำฝนเนี่ยต้องเปิดฝาตุ่มรองน้าฝนเนี่ยถึงจะได้พรถึงได้ฝนเช่นเดียวกันครับ ถ้าหากว่าชีวิตใครเนี่ยคว่าไว้คว่ำไว้และไม่ยอมหงายฝนจะตกเท่าไหร่น้ำฝนก็ไม่เคยเข้าชามของคุณเลยเช่นเดียวกันครับเราจะต้องหงายชามของเรานะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อพระพ ร, พรที่มาถึงชีวิตของเรานะครับโดยที่เรว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับใครเราตอบสนองนะครับผีปัญญาอยู่บ้านเราเราตอบสนองอย่างถูกต้อง นะครับชามเนี่ยเวลาพระพรจะมาต้องหงายชามนิดหงายชามรองไวพี่น้องครับเปรียบเสมือนกับการที่ว่าเราหงายชามก็คือความตั้งใจนะครับความตั้งใจที่จะให้พระหัตของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเรานะเราหงายชามก็คือเรากําลังตั้งใจที่จะศึกษาพ ร, ระเจ้าเพื่อให้พระคำของพระเจ้ามีส่วนในชีวิตของเราและเราจะมีส่วนในพระคำเช่นเดียวกัน พการที่เราเรียนรพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันนะเรามาเข้าเรียนละวีนะไม่สูญเปล่าครับผมจะบอกพี่น้องเราอธิษฐานทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่สูญเปล่าแน่นอนนะครับขอให้เราตั้งใจที่จะทำและพระเจ้าจะขยายอาณาเขตนะครับของเราและพระหัตถ์ของพระเจ้าจะอยู่เหนือเราและชีวิตของเราจะได้ผ่อแน่นอนประการสุดท้ายครับคำอธิษฐานของยาเบสบอกว่าขอพระเจ้าปกป้องท่านให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือพ้นจากเหตุร้าย เพื่อท่านจะไม่ต้องเจ็บใจและปวดกายนะพี่น้องทุกวันนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ไหมทุกใช่ไหมครับปัญหาอุปสรรคความกังวลใจความเครียดต่างๆนั้นเป็นทุกข์ไหมทุกปัญหาเศรษฐกิจที่ลุม่มแล้วปัญหาสังคมทุกวันนี้เป็นทุกข์ไหมทุกครับแต่เราจะต้องขอพระเจ้าปกป้องเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายซึ่งชั่วร้ายต่างๆนีนน้มันเกิดจากเพราะว่าคนทําบาสนะครับ คนทําบาปเนี่ยทำให้เกิดทุกข์คนทําบาปเนี่ยทำให้เกิดเหตุร้ายคนทําบาปทําให้เกิดทุกข์พิกภัยภัยธรรมชาติทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องเราเราเองนั้นจะต้องอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำมัธยฐานของพระเจ้าครับเพราะว่าศูนย์กลางแห่งน้ำมัธยฐานพระเจ้านั้นก็คือการมอบชีวิตของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์การเข้ารีภัยอยู่ในพระเจ้าการขอพระเจ้าเช่นนี้ผมถามว่าพระเจ้าตอบไหมครับตอบแน่นอน ใช่ไหมครับพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีไพร์ของข้าพงศ์นะครับพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความช่วยเหลือของข้าพรงศ์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพรงศ์ไว้เพราะข้าพรงศ์ลีไพร์อยู่ในพระองค์พระเจ้าทรงเป็นรี้ภัยและเป็นกําลังของข้ามังหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากเจ้าดีบทที่สีัวข้อหนึ่งพี่น้องครับสรุปในวันนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเนี่ย สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าลืมอธิษฐานนะครับถ้าเราอยากจะมีพลังในการรับใช้พระเจ้าในการดําเนินชีวิตแต่ละวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาคุกเข่าอธิษฐานเลยครับและการอธิษฐานขอให้เป็นอะไรครับเป็นลมหายใจของเราก็คือว่าเราสื่อสารของกับพระเจ้าเนี่ยได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าจะขับรถอยู่แล้วพูดขึ้นมาหรือเราปรวารณาในใจนะครับ และพูดในใจก็เป็นคำอธิษฐานได้พระองค์เจ้าค้คิดก็ได้พูดก็ได้นะครับเสียงค่อยเสียงดังไม่เกี่ยวติดต่อกับพระองค์ตลอดเวลาแล้วพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับอธิษฐานจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราสัต์ซื่อทำการอธิษฐานในส่วนของเราและพระค์ก็จะสัตซื่อในการตอบคาอธิษฐานนะครับตาม ส่วนของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่พระองค์ได้ทรงสอนผ่านทางพรน์นะของพระองค์ผ่านทางคําอธิษฐานของยาเบสเพื่อที่คําอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะมีพลังเป็นคําอธิษฐานของผู้ชอบทําให้เกิดผลข้าแต่พระเจ้าขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์ที่อธิษฐานเพื่อกันอธิษฐานชีวิตแห่งการอธิษฐานของข้าพระองค์นั้นพระองค์จะทรงโปรดสดับ และเปลี่ยนแปลงชีวิตการอธิษฐานของข้าพงษ์ทั้งหลายโปรดประทานจิตใจปรารถนาอยากจะอธิษฐานมากขึ้นเพื่อที่กัมหลายจะได้เห็นถึงฤทธิเดชของพระเจ้าและการอัศจรรย์ของโปร่งมากขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอโปรดเจมิมเราไว้ด้วยวิญ ญ, ญาณแห่งการอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของโปร่งนั้นที่จะกระทํากิจของโปรง่งสร้างความปรารถนาประทานความปรารถนาให้กับข้าพงษ์ทั้งหลายในการที่จะอธิษฐานและกัมหลายจะเห็นฤทธิเดชและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ต่อไปขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน